องกรหยดภาคหนึ่งภา ค, ภาคเนิดจอมมารเท่ า, าสารพัดพิ ษ, พษตอนที่สี่ตอนถ้ำบัวแดงสองสหายชายหญิงเดินเลาะเรียบชายนามสายตาทอดต่ำแววตาเหมือนหนึ่งคุ้นคิดอย่างหนักสิบพี่ตอนนี้สำนักเราเหลือเพียงพวกเราสี่คนเท่านั้นหญิงสาวเก่าขึ้นเบาๆ ใช่แล้วน้องเหล่าอดหวนถึงวันคืนเก่าๆไม่ได้สิบปีที่ผ่านมาพวกเราสิบพี่สิดน้องสิบปดคนท่านพี่ทวนตะวันสิทธิ์อาวุโสเป็นผู้ตั้งฉายาให้พวกเราว่าสิบแปดติงตองสติเฟื่องกระทบกระเทียบว่าพวกเราเอาดีไม่ได้เป็นสิทธิ์ไม่เอาไหนของสำนักเสียงสิบพู้น้องพูดตัดขึ้นว่า แต่ตอนนี้สหายพี่น้องเราล้วนจากไปอย่างไรเยื่อใหญ่เหลือเพียงพวกเราสี่คนเท่านั้นที่ไม่เอาไหนไม่สามารถตัดใจจากท่านอาจารย์ได้และวันนี้ท่านอาจารย์ท่านพูดแปลกๆข้าไม่เข้าใจท่องทั่วจักรวาลพบสงเคราะห์สัพ์สัตว์เป็นอย่างไรเมื่อถึงเวลาพวกเราคงเข้าใจจริงสิ ข้ายังจำได้ว่าพวกเราสิบพี่น้องล้นเป็นสิบปลายแถวของสานักบูตึงฝึกฝนวิทยายุทธไม่ได้เรื่องจึงสืบเสาะหาจนพบท่านอาจารย์มังกรธิวาเพื่อขอเคล็ดวิชาแต่ตอนนี้ท่านอาจารย์ได้ขึ้นเขาไปเพียงแนะนำให้ไปหาเท่าประลาดแห่งถ้ำบัวแดงหลังจากที่เดินทางผ่านป่าลึกเข้าไปมีคิดเลยว่าจะมีถ้ปรากฏอยู่ริมชายน้า อันไหลเชี่ยวกลาดทำวัวแดงทำที่แสงมืดและชื้นแฉะแคบแต่เมื่อเดินถึงปลายถ้ำกับพบแสงสว่างพื้นถ้ำปลายนั้นเป็นลานกว้างพอสมควรมีกระท่อมหลังน้อยริมแม่น้ำแว้นล้อมด้วยขุนเขาและต้นไม้ใหญ่มีใครอยู่บ้างสนธิมะเดินข้ามสะพานเล็กๆ เ, เข้าประตูกระท่อมน้อยพลันสายตาก็ศบเท่าปราหลาด ชายหลังโค้งมนในตาดุดเดยวชกท่าทางหน้าเกรงขามนั่งอยู่ท่ามกลางผู้คนนับสิบคนสนธิมะพวกเราเพิ่งมาถึงเมื่อครู่ทำมนุษย์สิทธิ์ผู้พี่กล่าวแนะนำนี่ท่านเท่าประหลาดที่ท่านมังกรีิวาแนะนาพวกเรามาหาพวกเราขอระวะท่านผู้เท่าช่วยสอนสั่งด้วย เมื่อสนหิมะนั่งลงสงบได้สักพักจึงรู้ว่าภายในมีสิบพี่สิทน้องร่วมสำนักรุ่นเดียวกันและสมอาวุโสตะวันแห่งสำนักบุรพาทวนตะวันเทียมตะวันและทานตะวันได้นั่งอยู่ก่อนแล้วแปลกมากที่ดูจากภายนอกกระท่อมหน่อยไม่น่าจะจุผู้คนได้เกินกว่า1ิบคนแต่ขณะนี้ มีผู้คนอยู่ภายในกว่าสิบคนที่นั่งเรียงรายกันเป็นแถวอย่างไม่อึดอัดเท่าประหลาดกลาสายตาที่คมกริบก่อนอื่นข้าต้องกำชับแกพวกเจ้าก่อนว่าเราไม่ใช่ศิษย์อาจารย์กันแม้นวัยที่ต่างกันก็ขอเพียงนับถือเหมือนพี่เป็นน้องข้าเองไม่เคยคิดจะรับใครเป็นศิษย์ และไม่เคยคิดถ่ายทอดวิชาให้ผู้ใดฉะนั้นให้ถือว่าข้าเล่าประสบการณ์ของวิชาแห่งยุติภพให้แก่พวกเจ้าฟังเท่านั้นพวกเจ้าไม่ใช่สิทธิข้าถ้าจะเป็นสิทธิจงถือว่าเป็นสิทธ์ท่านมังกรที่วาสหายของข้าเถอะพวกเจ้าจงใช้สติปัญญาไต่ตองและฝึกฝนเอาเองเคล็ดวิชาเหล่านี้แต่ล้วนคือประสบการณ์ของข้า หากขัดแย้งกับที่ท่านเรียนมาจากสำนับเดิมจงตั้งมั่นตามบรรชาสวรรค์อย่าได้ยึดติดต่อกติกามิฉนั้นพวกเจ้าจะสับสนมุนวายจนอาจเป็นภัยแก่ตัวเจ้าเองหากใครเปลี่ยนใจให้ถอยกลับออกไปเดี๋ยวนี้เคตวิชาที่จะบอกกล่าวล้วนถือเป็นความลับห้ามแพร่งพลายแก่คนนอกเด็ดขาดและสถานที่นี้ ไม่ตอนรับคนขี้สงสัยและเมื่อเจ้าคนใดถอนตัวคันเดินผ่านประตูถ้ำนี้เจ้าจะสูญเสียความทรงจำในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในกระท่อมหลังน้อยนี้จนหมดสิน้นไม่มีผู้ใดขยับตัวต่างจดจ่อถ้อยคำที่เท่าประหลาดนี้เอื่อเอ่ยทายเช่นนั้นจงเริ่มกันเลย ท่านจงทำจิตให้ว่างเปล่าเหมือนไม่เคยรับรู้วิชาอะไรมาก่อนมาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่จักรวาลนั้นคือความว่างความว่างที่ปรากฏแท้จริงแฝงไว้ด้วยความมีจากศูนย์กลับกลายเป็นหนึ่งเมื่อหนึ่งนั้นเคลื่อนไหวส่วนเบาที่ร้อนกว่าจะลอยขึ้นกลายเป็นฟ้ากำเนิดท้องฟ้าและดวงดาวส่วนที่หนักและเย็น จะไหลลงต่ำเป็นแผ่นดินอันเป็นต้นกำเนิดของสปปรรพสิ่งจากหนึ่งจึงกลายเป็นสองฟ้าและดินจึงเกิดมนุษย์และสปปรรพสิ่งตามขึ้นมาการฝึกฝนสู่ความเป็นเลิศคือการกลับคืนสู่สภาวะเดิมคือความว่างพวกเจ้าจงน้อมจิตสู่ความว่างจิตจะมีพลังมหาศาลดําดิ่งเข้าสู่ใจกลางปรากฏการพิสดารจะเกิดขึ้น จงเดินเครื่องไปด้วยความเร็วหนึ่งรอบต่อนาทีสิบรอบต่อนาทีร้อยรอบต่อนาทีพันหมื่นแสนล้านรอบต่อนาทีต่อหนึ่งวินาทีต่อหนึ่งอนุวินาทีทับทวีพัฒนาต่อไปไม่สิ้นสุดเมื่อเช่นนั้นจิตจะยกระดับขึ้นไปจากเดิมด้วยกำลังแรงของจิต พวกเจ้าจะสามารถเดินเครื่องสั่งจิตทำงานตามรหัสวิชาได้จงทําทัพทวีอย่าได้หยุดหย่อนด้วยรหัสออนไลน์ New Engineering System Multiple Infinity Action สิทธิทั้งหลายหลังจากรับรหัสตั้งเครื่องด้วยภาษาแปลกๆที่ไม่คุ้นหูจดจำได้บ้างไม่ได้บ้าง ตามแต่สติปัญญาของแต่ละคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็ไม่มีใครกล้าถามแม้แต่จะคิดสงสัยคงตั้งหน้าตั้งตาท่องและเดิมวิชาไปตามคำสั่งของเท่าประหลาดอย่างเดียวเคล็ดวิชาของเท่าประหลาดอามอวสศตะวันและ1ิติงตองจะเป็นอย่างไรอย่าพลาดตอนต่อไป